ก็าเรื่องปรชาสัมพันธ์กันก่อนเนาะส่วนเรืงรายเะเียดเลือกืนไปว่ากันคุยเรื่องการแจกของน่าจะเป็นสวัสดิ์ที่สุดเพราะว่าพุงนี้ก็มีว่างวันที่ส2บสองกมว่างความเร็ ว, วสวัิดิ์ พิชิานด้วยใครว่ากั น, นเรแจ้งเต่องามเวลาปกลับเยรมันแล้วกระงรือแจกก็จะกลับเยอรมันแล้วในเรื่องแจกของเรือ อ, อื่นไปว่ากันอันนเรื่องของเราเป็นเวลามีน้อย ไมเวลามีลอยสมุดดทุกอย่างมันมีจํากัดถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้ในแต่ชีวิตต่อหลันก่อมันจูง ก, กันด้วยเวลาก็คือวันเดือนปีที่เราแต่งเปอร์เต็มที่ก็มาหนึ่งหนึ่งร้อยมันจะมาส่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ถึง นะะ้อยมาตอนนี้กลางๆศาลาแล้วแกวชก็ไปแล้วก็ไปว่าอยู่เยอะยยืนยาวนต้ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเจ็ดวันมาฟังครั้งหนึ่งถามว่าก็เถือวเวลาน้อย พอเส็จปางกบกันครั้งหนึ่งพบแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์มันไม่ใช่สักแต่วาศาสนาที่ราปฏิกัติไปอีกหกวันีผ่านมาเออมาื่คิดดูตอมเวลาเิ น, น, น, นเวันได้เป็นวันเสียใน่เนีอย มันกลมตับชีวิตกันคําว่าชีวิตเราเนี่ยเราสัพพะสัตตังลายเริ่มต้นิกคําว่าชีวิตชีวิตคือเกิดนี่ชาติมันจกดเริ่มต้นของเราคือเกิดหมายถึงชาตินี้ไม่เกี่ยวกับกุตตะจักเกี่ับตาสงสาร เริ่มต้นเราก็คือรู้ชาติเกิดเสร็จแล้วก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตายนี้เราจําที่เป็นปริยัติเกิดมาเราจับกันมาสมมติลราเรียนระดับอเอาแค่สามคกาก่อก็คือชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตถ้ามีชีวิตก็ตาย มีชีวิ ต, ต, ต ก, ม ก, กตตต็มีจิตกํากับคือร่างกายของเราปฏิสัมพันธ์เสร็จเลจิตกํากับเมื่อมีจิตกํากับตรนี้มันเศร้มองมันดีมันชั่วอเขาแสดงออกประทังพฤติกรรมรูปกรรมสามอย่างนี้มีอิทธิพลต่อพวกเราในจิตประจำวันคือคำหนึง่งครับว่าชีวิต ว่าจิตกรร็กรรมกรรมในมุ่งปฏิการกระทําไม่จะผลกันกระทําซึ่งคนทั่วไปก็มีแค่สามอย่างคิดได้แค่สามอย่างทั่วไปคือสามัญชนคนทัท่วไปรู้จักแค่นี้หลังจากนั้นเมื่อเพราะอายเพราะเพราะมีธรรมะมันจะจำกับ เปลือชีวิตจิตกรรมต้องธรรมะตัวตรงตับธรรมะอย่างเดียวไม่พอต้องเกิดปัญญาด้วยเรียกว่าธรรมะปัญญาธรรมะปัญญาเสร็จแล้วธรรมะสังเวชเกิดขึ้นตอนนี้ธรรมะสังเวชยังไม่เกิดขึ้นกับเรา เ, เรอาะต่เจอกันเป็นทางตาก็ดีฟังทางหูก็ดีธรรมะสังเวชนี้เกิดธรรมะสังเวชนี้เกิดนิ่พิธา ดูความเบื่อหน่ายมันไม่มีนิพพานไม่มีเวราะคะที่อยู่ด้วยกันไปจากราคะคือที่เกี่ยวข้องกับรูปสียงที่เราปวดต่อพระผู้นั้นราคะไม่ได้แปลว่ากำหนัดอยู่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับราคะคือกรรมคนก็คือกรรมคนห่างไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมันตลอดเวลาทุกเรื่อง การอยู่ในปัจจเจ้าสิ่งอะไรมันนี่เกิดขึ้นคือ่ยวับวิรากะนี่เกิดขึ้นวิรากะนิพนธนนิพ انا อิพานา น, พา น, านี่ไม่ต้องไปพูดถึงอิพานาคือดับสิ่งเหล่านี้มันดับนี่ไหมือนกับกาพูดถึงนั้นศาสนาของเราเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาถ้าธรรมะปัญญาไม่เกิดเราจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านีน้เราจะเห็นแคช่ชีวิตจิตกรรมแล้วก็บรรยายกันไป บางศาสนาหลายศาสนาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พูดอย่างนีคือต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายกชีวิตให้คนอื่นเป็นคนตัดสินชีวิตหลังความตายยกให้คนอื่นเป็นคนตัดสินว่าจะอยู่จะไ ป, ไ, ไปอยู่ยังไงไปยังไงอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยคือไม่เกี่ยวกับมนุษย์ อันนีศาสนาอื่นขเขาคิดอย่างนี้ไม่เคยโดยหลักๆแล้วก็สอนให้เชื่อต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนว่าชีวิตเรามีูนสร้างมีคนทําแล้วก็คนอื่น ก, ก็ควรกำกับดูแลตายแล้วจะไปไหนอยู่ที่การตัดสินใจของคนอื่นแต่คนไง่ายคือพระเจ้าซึ้งตาหลังตาเป็นยังไงก็ไมารู้คนที่บินพระเจ้านี้จะต้องทํำยังไงก็ไม่รู้ ปรุสวัตรพระเจ้าคืออะไรไม่รู้ตัวว่าคือพระเจ้าดีพระเจ้าก็จะเรียกว่าอะไรก็ได้ไก็เรียกว่าพระเจ้าตงง่ายๆคื อ, คอยกชีวิตของเรายกของตัวเองให้ผู้อื่นตัดสินภาษาอื่นเขาศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาเราเป็นคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเช่นเกิดเกิดแกบตาย ตัดสินใจเองว่าเกิดเนี่ยเราจะมาเกิดอีกไหมหรือไม่มาเกิดอีกเกิดมาแล้วจะอยู่แบบดีอยู่แบบชั่วคิดดีพูดดีคิดชั่วพูดชั่วทำดีพูดดีตัดสินใจเองในความแตกต่าง แต่ความตัดสินใจเนียถ้าธรรมะปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรมาตัดสินใจก็ตัดสินใจไปตามความคิดกับพูดการตามความตัวเองมันไม่มีหลักการอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตั้งใจตั้งใจฟังหัวข้อวันนี้สามพยา ง, งายี่ง่ายๆเพราะฉะนั้นทํายังไงที่เกิดปัญญาพวกเราก็ลองคิดตาม ว่าหลอพูดว่าสามพยางเนี่ยเรามานั่งคกคิดทำไมเพ่งมานั่งคกคิดเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาของูุเปัญญาไม่ได้เอาให้สัญญามาพิจารณากันเอาปัญญาเราจึงใช้คำว่าตั้งใจฟังจริงๆแล้วฟังมันต้องเป็นเรื่องของหูแต่ทาไมถึงบอกว่าตั้ง ฟังคือเอาใจฟังไม่ได้เอาหูฟังนี่ปัญญาเริ่มเกิดแล้วจากเป็นสัญญาเริ่มเป็นปัญญานะทุกวันแล้วเราเรามาถามตัวเองถึงถามตัวเองว่าทวนเราเอาหูฟังหรือว่าเอาใจฟังเราก็จะมีคําตอบ เราเอาหูฟังก็เป็นอย่างนี้ฟังแล้วก็แล้วกันไปก็เอาใจฟังนัดฟังทำเหมือนกันต้องเอาใจฟังไม่ใช่เอาหูฟังเอาหูฟังมันได้แค่สัญญาที่จําแต่เอาใจฟังนี่เป็นปัญญารู้ใจฟังเป็นยังไงใจฟังเช่นว่าพูดคำว่าเกิดเดืเจ็บตาย ใครก็พูดได้เราจะมีใครที่เข้าใจบ้างว่าเกิดเราตัดสินใจเองได้ไหมเกิดทำมันพบชาติทำมันน้อยลงได้ไหมมีวิธีไหนที่ให้เกิดน้อยลงหรือสุดท้ายไม่เกิดเลยมีไหมและใครเป็นคนตอบคาถามเหลานี้พระเจ้าตอบไม่ได้ ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ตอบเราได้ว่าเกิดก็ต้องกเข้าใจว่าเกิดคืออะไรเราเข้าใจว่าเกิดเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสรรพสิ่งอันนั้นก็ใช่นี่โดยหยาบๆคำว่าเกิดนี้มันเกิดทางไหนเกิดทางความคิด ทั้งคำพูดทางการกระทํานี่แหละคําว่ากรรมตัวที่สองเพราะนั้นคำว่าชีวิตของเราจะใช้ชีวิตอย่างไงก็อยู่ที่วิธีคิดวิธีพดวิธีทำของพวกเราชีวิตจะเป็นจือเจืมต้นเฉยเพราะนั้นมันจะดีมันจะชั่วมันจะขึ้นสูงต่ำดําขาวนีมันอยู่ที่ชีวิตคือคืจิตนี่แหละจิตมันคลองร่างตรงนี้ ทีนี้จิตมั น, นยัเป็นยังไงจิตนี้จิตไม่ดีสภาวะจิตขกงเลยผู้จากบอกจิตเดิมก็โม่งไปที่เดิมอีกจิตเดิมท่านก็บอกแล้วมันฟองใสมันเป็นประภาาัสสระมันฟองใสไั่เคยสภาวะจิตที่มันไม่ฟองใสเพราะว่าวิาวธีคิดของเราเนี่ยแหละวิธีพูดวิธีทํำของเราเนี่ยกามันเหมือนเสาหมองการจะเร็วกิเลส นมันเศร้าจนเกิดการกระทาเรียกว่ากรรมทาไปตามความคิดที่เราคิดนั่นแหละคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นไปเกิดการเป็นกรรมตัวนี้ตัวต่อไปคือธรรมะถ้าไม่มีธรรมะกากั บ, กบเราก็อยู่ก็อะไรแค่นี้นคือคิดเอาเองพูดเอาเอง ทำเอาเอื่นแต่ที่คิดพูดทำส่วนใดแล้วมันเกี่ยวเรื่องกันตัดสินแต่สิ่งที่เราตัดสินนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยทั่วใ น, นเราไม่ชีวิตอยู่เพื่อการตัดสินคนอื่นเขาตัดสินยังไงตาเห็นรูปหูฟังเสียงเห็นเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าชอบไม่ชอบ และเสร็จแล้วก็อยากแก้ไขพฤติกรรมที่อยากแก้ไขไม่อยากแก้ไขตนเองอยากแก้ไขคนอื่นทําไมไม่ทําอย่างนี้ทาไมพู่อย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ซื้อสิ่งเหล่าน้นมาทั้งบอกก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเจะไม่เกิดประโยชน์ตาเนี่ยลืมตาขึ้นมามันไม่เห็นตัวเองตั้งแต่เช้าขึ้นมาลืมตาเพิ่มันไม่เห็นตัวเอ ง, งที่จะ ไ, ไป เ, เ, ะไ เ, ห เ, ไเห็นคือข้างนอก ทัางวันสิ่งที่เห็นก็คือเห็นที่ของดีของไม่ดีเห็นแล้วเป็นยังไงใจเอาใจฟังเอาใจดูไม่ใช่เอาตาดูแล้วทีนี้ตามหมดหน้าที่มาแล้วตามมันแค่เห็นโอฟังเสียงแล้วมามันมีหน้าที่แค่ฟังแต่ตัวที่ตัดสินนั่นคือใจเราเรียกว่าตัดสินใจตัดสินที่ใจ ทีนี้ถ้าใจไม่มีไม่มาตรฐานใจไม่เคยปฏิบัติเลยคือพูดยังไงใจไม่มีทำใจไม่ได้ทำคือใจไม่เข้าใจธรรมชาติไม่มีความเป็นงลางคือไม่มีความเป็นธรรมนั่นแหละหรือเที่ยวไปตัดสินใจกันไปทั่วไปหมดอยู่อย่างนี้ทั้งวันมันจะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองแปลว่าตัวเองมีความดีความไม่ดีอยู่ในตัวนีหมด แต่ไม่เห็นแล้วมันจะได้ ป, ไรประโยชน์อะไรพราะนนประเภทนี้อจริง้องให้ประชาตัดสินคนตัดสินตัวเองไม่ได้กต่ยกให้ชีวิตตัวเองเป็นคนตัดสินเราชอบอย่างนี้นเหรอแล้วคนอื่นตัดสินเราเรายัางไม่ชอบเลย mm hmm. ดังนั้นธรรมะก็คือการดูตัวเองการตัดสินอะไรไปพิจารณาตั้งแต่ช่วงเรื่องของการเกิดเนี่ย พิจารณาให้มันจบให้มันสิ้นให้คลั่กใจายละเอียดทีส่วนคําว่าเกิดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นเราเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็ไม่ใช่เริ่มต้นมันเป็นจุดสุดท้ายไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปิไปพบคือการมาพบรู้พบรู้พบที่เราพบชาติเราจึงใช้คำว่าสั้นๆพบชาติคือก่อนที่เป็นชาติคือเกิดเนี่ย มันมีพบมาก่อนและพบอันนี้มันคืออะไร ม, มาจากไหนทําไมชาติแล้วต้องไปพบพบไดเป็นอย่างวนไปเวียนมปเนี้่ยพบคือจากอะไรพบคืออะไรพบก็คือใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรูปอารูปอารูปคือสิ่งที่มันมีรูปสิ่งที่ไม่มีรูปคือสิ่งที่แจ่มได้ขึ้นมาเป็นภาพ เรื่มหลอง ห, ห า, าง อ, งอารมุปแต่รูปยาแบบนี้ไม่มีแม้ถ้าใจเราไปคล้องอยู่ตรงนี้ในเริ่มพบมันจะเป็นรูปกรณีอารูปกรณีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องที่เป็นรูปอารัน้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันยังเกี่ยวข้องกับการมาคุณอยู่ก็ไปที่กรรมม พ, พบพบุณพบจีบว่อรกักรรมใช่กรรม ไม่จะเป็นคนเป็นสัตว์แล้วแต่พวงตือชั้นเรื่องข่าวพบถามว่าพบอันนี้ต้องรอให้มันชนะเกิดไหมจะเรียกว่าพบไหมพอพ บ, พบถ้าเราไปพบพวงูวงคือชั้นชั้นชั้ น, นจิตชั้นยังไงความฉลาดคุณจิตมันอยู่ในระดับไหนแหมือเราเรียนหนังสือแต่เราแ ย, ยกกันระธรรมอุปนิยมอุดม บนต้นทํนกาการที่สุดเปิดกระสานง่างๆยๆมีจุดสูงสุดเป็นตามสุดอันนั้นคือพบปวงปวงของปวงของใจปมงของจิตที่มันจะไปมันก็จะไหลไปตามนี้นะไปตามพบตาปมปวงของมันตอนี้ไหลาตามนี้ถ้ารับภาษาเราง่ายๆเอาแค่เอาพบก่าเรื่องชาติแล้วพอจะเข้าใจพอพบจะเพื่อจะเข้าใจยากพบมันคืออะไรพบมันคือภาพภาพคืออะไร ภาพเกิดจากอะไรภาพเป็นตานะเราไม่ได้อธิบายตาเห็นรูปเกิเป็นภาพเกิมาทันทีแต่ถ้าเป็นภาพทางใจนั่นแหละคือคำว่าพบภาพทางใจก็คือใจแต่มันนึกจินตะจิตตะจินตะนะคือการนึกการคิดขึ้นมามันปรากฏเป็นรูปเป็นภาพเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญามันก็เป็นภาพนั่นแหละคือคําว่าพบ เพราะฉะนั้นคําว่าพบเนี่ยถ้าจะเปรียนง่ายๆก็คือถ้าเรานึกถึงความฝันถามความฝันคืออะไรถ้านึกถึงความฝันเราจะนึกถึงกลางคืนบอกว่ากลางคืนเท่านั้นที่เป็นความฝันกลางวันฝันไม่ได้เราเข้าใจอย่างไม่มานานแล้วแต่เนี่ยเราไปคิดใหม่ว่าทําไมกลางคืนถึงเรียกว่าฝัน พอ ร, ร่างกายคือกายมันทําหน้าที่ไม่ได้คือตาทาหน้าที่ไม่ได้โห้ทําที่ไม่ได้มันดับไปดูข่าวเขาเริ่ดใจอ่ะ น, นั่นคือกายกับใจแต่เราไม่รู้ไม่รู้คือมีสติกํากับแต่นี้ในขณะที่เราหลับเนี่ยใจมันนึกอะไรขึ้นมาก็เป็นภาพบ อ, อกมาเปียนกลายว่าฝันจึงกลายเป็นความฝันทีนี้แล้วกลางวันละ การมาทำไ้ไม่ฝันพ่อตามนี่ลูกอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเอากลางคืนเป็นเกณฑ์ในการคิดกลางวันเราก็มีความฝันเหมือนกันที่เรานึกคิดปรุงแต่งนั่นแหละคือความฝานันนั่นแหละคือภพชาติแปลว่าอะไรก็แปลว่าภพชาติมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาภพชาติเกิดจากอะไร ก็จากความคิดก็พูดกันก็ทํำจิตนาการของเราเองแต่เราไม่เรียกว่าวันเป็นพบเป็นชาติเราไปเรียกออกมาจาความคิดนั่นแหละคือพบชาติคือพบชาติก็คือคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นพบเป็นชาติซ้ําแล้วซ้ำแล่าเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งม่รู้อยู่ในพบไหนอยู่ในการพบรู้พบอรู้พบมันเป็นพบเป็นชาติทุกวันและชาติก็เกิด คือความเกิดเกิดทางความคิดของเรานะี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้อะไรมันเกิดอะไรมันดับมันเกิดแล้วเป็นยังไงมันดับแล้วเป็นยังไงไม่รู้นี่แหละสี่ที่พุทธเจ้าเรียกว่าวิชาไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นรูปไม่เห็นร่างมันไม่ไมใช่เห็นแต่ไม่เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิชาคืทุกวนะันเราเห็นกันเห็นรูปเห็นนา แต่ไม่เกิดปัญญานี่คืออวิชาขนาดนเอที่เราปฏิบัติที่เราเรียนรู้ที่เราทํำต้องทําลายตัวนี้คือทาลายวิชากันใ้มันเป็นวิชาอยากอวิชาให้มันเป็นวิชาอย่ที่เราเรียนวิชานั้นวิชานี่วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษเริ่ต้นกับวิชาเพราะเราไม่รู้วิชาภาษาไทยเริ่มตม่ก็แกลก็ไกลนะ ตัวรับต้นแบบภาษาภาษาอังกฤษ a b c d ภาษาเลขท่ิตี้กันหนึ่งตั้งร้านสิราบต้นจากที่เราไม่รู้ก็กลายเป็นรู้เนี่ยเรื่อวิชชาเขาค้นอันนั้นเาก่อนนั น, นนั้นก็เป็นอวิชาคือไม่รู้สมมติเราไม่เรียนเลยก็แกลายก็ใลาพอเห็นปุ๊บมันก็ไม่รู้ a b c d เป็นที่ไหนก็ไม่รู้หรือภาษาอื่นๆตัวอะไรก็ไม่รู้ นั่นคืออวิชชาคือไม่เห็นแล้วไม่รู้อีความหมายไม่ได้เพราะนั้นภพชาติอยากให้เราเอามาใช้กับปัจจุบันวัฏฏะสองสารเหมือนกันให้เราเอาคิดปัจจุบันเป็นหลักเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนปัจจุบันไม่ได้สอนอดีตสอนอนาคตเมื่อาาสอนปัจจุบันก็แปลว่าเอาทุกอย่างที่เรามีเอามาจบลงในปัจจุบันเอามาคิดอรเป็นปัจจุบัน เช่นกัว่าวัตตะไปว่าวนเราเข้าใจว่ามันเกิดเจ็บตายวนไปมาเกิดเจ็บตายใ น, น, ๆๆๆใ น, ในยเดี๋ยววัตตะจริงๆเราความคิดเราเนี่แหละคือวัตตะมันจะคิดเหมือนเดิมไหมคิดเหมือนเดิมวนกลับมาคิดเหมือนเดิมไหมไม่จบเลยสิ้นมันจบไปแล้วกลับมาคิดอีกนี่คือวนพูดเหมือนกันไม่ได้มีอะไรคําใหม่ๆคำเดินเทืองคำเก่าคํายากคาแคร์คำด่าคําสบด มีคำใหม่ไหมตักเติมคือวนการกระทําล่ะทําไม่ดีก็ทําอยู่อย่างนั้นอั น, นี่คือวนวนทําที่เดิมอย่างเนี้ย น, นี่คือวัตตาที่แท้จริงและเข้าใจในปัจจุบันด้วยไม่ต้องไปเอาไปชาติหน้าชาติโน้นอันนี้คือวัตตาเอาให้เป็นปัจจุบันนี่ก็เรียกปัจจุบันนธรรมทรูปูแหวนท่านก็สอนอย่างนี้เาปัจจุบันณธรรมนะ ในคำว่าเป็นทำเมามีทำโมูพวกโอทั้งกระโปรงตัวนี้ย่ออันนี้เป็นตัวเองอันนี้คือพระอันนี้คือชาติทีนี้อื่นๆที่เราพูดเราคุยเราสอนกันมาท้งชีวิตเช่นการนรกสวรรค์นิพพานเราก็บอกว่าต้องตายแล้วถึงจะเจอของพวกนี้ตายแล้วถึงจะไปนรกตายแล้วถึงจะไปสวรรค์ตายแล้วถึงจะไปนิพพาน เราไปทําตรงกับข้ามาที่ผู้เจ้าสอนผู้เจ้าสอนปัจจุบันนี้มันก็แปลว่าถ้างั้นปัจจุบันเราไม่มีนรกเลยเลยปัจจุบันเราไม่มีสวรรค์เลยเลยปัจจุบันไม่มีนิพพานเลยเพื่อทำเพื่ออนาคตอ่ะผู้เจ้าไม่ได้สอนอนาคตอนาคตคือกระดาษเปล่าสอนปัจจุบันตามปัจจุบัน น, น, นรกเกิดขึ้นกว่าเราไหม ไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองเป็นนรกไหมคิดเหมือนคนไม่คิดไปคิดเหมือนอะไรก็มาโลกที่ไม่ใช่คนไม่ใช่อดีตชีวิตไม่ใช่พระไม่ใช่มนุษย์ก็คิดกันเป็นนรกไหมเป็นเปรตไหมเป็นอสุรกายไหมนี่คือปัจจุบันตามใจท่าน่งจิตใจเราอึดอัดขัดเคืองเป็นทุกข์เนี่ยแล้วมันมตกนรกแก่ได้ไหมเกได้แกปัจจุบันแก ป, ปัจจุบัน ก็ตกโรคกี่มันแก้ไม่ได้แก่ปัจจุบันแก่ปัจจุบันทำเป็นสวรรค์สวรรค์มันกระสบายประสบการณเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้วันนี้สร้างนรกก็ได้สร้างสวรรค์ได้สร้างอิพานกได้คือให้มันดับดับจากคงามคิดกับพวกการกระทําก็ได้อิพานเราไปตั้งแต่วไห่หมดกิเลสอย่างเดียว มันไม่คิ่ว่ามันําดับลูกค้าก็ได้วิถีพันธุ์แปลว่าดับมันแปลว่าเย็นพอทาให้มันเย็นได้เรารู้มันร้อนก็ทำให้มันเย็นมันร้อนมากก็ให้มันร้อนน้อยหรือไม่ร้อนเลยยนดีอันนี้สิ่งที่มันสอนเราแต่เราไม่เกิปัญญาเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งไว้คือตั้งใจฟังคือเอาใจฟัง ไม่ได้เอาหูฟังเอาหูฟังมันก็เป็นอย่างนี้นฟังวันไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนัะ้นจากนี้ไปเป็นรถไปให้เราเนี่ยเอาใจฟังนเพราะปฏิบัติธรรมต้องเอาใจใจในปฏิบัติปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจในจริงๆใช่คําว่าเข้าใจก็คือสิ่งเหล่านี้เข้าอยู่ในใจยูเรียกว่าเข้าใจไม่งั้นไม่เข้าใจถ้าถามทุกวันเราเข้าใจอะไรบ้าง เราเข้าใจอลไรชีวิตเราเข้าใจไหมจิตเข้าใจไหมกรรมเข้าใจไหมธรรเข้าใจไหมเราไปเข้าใจเพราะเราไม่เอาออกแค่หูฟังเหมือนเราใช้หูฟังเมืนใช้โทรศัพท์วาา่าหูฟังมาเสียบหูไปหูฟังหูถอหูฟังเอาออกครับหมดแล้วเพราะเราไม่เอาใจฟังถ้าเราใจฟังมันจะอยู่ในใจมันจะฟังอยู่ในใจติดอยู่ในใจเรายกขึ้นมาพิจารณาครับ ถ้าเข้าใจเรื่องความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาเพราะการภาวนาคือต้องการให้เรามีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญากองสังขารก็คือห้ากองนี่แหละกองก็เป็นแห้ากองคือรูปเวทนาญาณกันอย่างให้มีความรู้กองเข้าใจในเรืงห้ากองอันนี้เป็นลาก็คือรู้กองของตัวเองนั้นกองอื่นต้องไปรู้ควารู้ยังไงมันไม่ยบแค่รู้ตัวเองมันมีแรงจบ มันมีเวลาที่จะจบตอนนี้มันไม่จบด้วยอย่างแต่เป็นอ่านหนังสือเนี่ยตอนนี้ถ้ามโนรถเล่มเนี้ยถ้าร่างกายเราเป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งตอนนี้เราอ่านถึงไหนแล้วแล้วเรามีเวลาอ่านอี ก, อกนานไหมถ้าไม่รีบอ่านให้มันจบมันก็จะไปเลยเปืยเริ่มต้นจากอารมณ์บทเริ่มต้นเนี่ยทำกลางจนสุดท้ายปลายทาง จ, จบจบการหนังสื อ, อนี่คืออะไรตอนนี้เราอ่านไม่จบแล้วหนังสือเล่มนี้น้อยคนที่จะอ่านจบเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเสกขบคคลคือบุคคลที่ต้องศึกษาต้องอ่านอยู่ต้องเรียนรู้อยู่ปุวกวันทุกลมหายใจจราบใดที่เรายัางอ่านไม่จบ เรื่นี้เรื่อนี้คือตัวเราเนี่ยอ่านตาตัวเองไม่ได้อ่านหูตัวเองเนี่ยอ่านปากตัวเองะอ่านรูปร่างกายอ่านใจตัวเองไม่ได้ยั้งไม่จบได้กี่หน้าก็ไม่รู้ปฏิไม่เคยอ่านเลยหนับกว่าเก่าเลยนะต่อให้อยูตั้งเก้าสิบปีร้อยปีแต่ไม่จับอ่านเลยเพราะแสดงไม่รู้เรื่องตัวเองเลยหน้าแรกปัตถุประสงค์คํานํำก็ยังไม่รู้เลยว่า คำนาเขาต้องการนัสือเรื่มงนี้ต้องการให้เรียนรู้อะไรหมือการเริ่มต้นเรื่าชีวิตต้องการให้เรียนรู้อะไรแล้วโจโจก็มันคืออะไรปลายทางมันคืออะไรเพระนั้นให้พวกเราอ่านเยอะๆด้ยวยกันอ่านตัวเองนะจะไปอ่านคนอื่นพ่อไม่ได้อะไรนี่ก็เป็นอะไรอ่านตัวเองเยอะๆเราจะเข้าใจทั้งหมดประมวลคําสอนของพระพุทธองค์ลงตรงพบ เกาะนเกิดขึ้นทุกวันชาติมันก็เกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่เกิดครั้งเดียวทา่เราเข้าใจมันเกิดดับเกิดดับทุกวันนี่คือธรรมชาติวัตตะมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละวนไปเวียนมาอย่างนี้นคิดกคำพูดกั น, กกนดำนี่คือวัตตะที่แท้จริงนรกสวรรค์ใจเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยที่ทำยังไงนี่ก็ลองอ่านเองทุกวั น, ว อ, นอ่านว่าชีวิตมันคืออะไรชีวิตต้องการอะไร ชีวิตเราีแค่นี้เหรอชีวิตที่เราได้มามันคุ้มไหมเดี๋ยวมันก็จากกันไปแล้วนะไม่ถึงร้อยปีก็จากไปแล้วแล้วจะทะเลาะกันทําไมเสียงกันทําไมค่าแกงกันทําไมจะเล่าโกนลงกันทําไมต่างคนต่างเอาออกไม่ใช่เอาเข้าให้ทุกคนเอาออกคือเอาสิ่เหล่านี้ออกจากใจออกจากคิดไม่ใช่เอาเข้าไปมันเพียงพอแล้วจะโกนลงที่มันอยู่มันเกินพอแล้ว ไม่หยิบออกเรามาผู้หยิบออกเผื่อสูรจมันเสีออก จ, จากกาถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้เออปรจ้าสอนสอนตรงสอนจริงสอ น, น, สอนแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจต้องว่าเข้าใจเข้าใจสิ่งไรอยู่ในใจแล้วถึงจะเข้าเข้าใจเหมือนเราเข้าบ้านแสดงว่าเราอยู่ในตัวบ้านแล้วเราเข้าวัดแสดงว่าเราอยู่ในวัดแล้วเขาอยู่ในวัดเองก็ถึงจะรู้เออ มันอยู่ในวัดแล้วก็วัดทีนี้วัดอะไรก็วัดกายวัดปัจจัวัดใจนี่คือเข้าวัดมาวัดมาวัดกายตัวเองพาวัดปัจจัตัวเองวัดใจตัวเองสมเนี่ยก็เรียกว่าวัดนะที่ไปที่ไหนก็ได้ไปวัดไหนก็ได้อยู่บ้านก็เป็นวัดเพราะเราวัดกายตัวเองวัดปัจจัตัวเองวัดใจตัวเองเขียนไว้เลยเขียนอย่างนี้คิดอย่างนี้มันก็เป็นวัดแล้ว และตรงกันข้ามถ้าอยู่บ้านเป็นวัดก็ไม่ได้เป็นบ้านก็ไม่ไดเป็นอะไรมันก็เป็นนรกถ้าไม่เป็นสวรรค์มันก็เป็นนรกมันตรงกันข้ามมันก็จะเดือร้อนอย่างนี้มันเป็นที่ไหนให้เป็นที่ใจใจจะสําคัญที่สุดใจจะเป็นประธานใจจะเป็นหัวหน้าว่าจะเป็นคิดพูดทําก็ดีเป็นหัวหน้าหัวหน้าเราคือใจว่านั้นการปฏิบัตะตามก็ดูใจตัวเองอย่าดูใจคนอื่นนะ ไม่นั้นกระเป๋าของเราทุกคนสาระเรียกว่าแก่นถ้าเราเข้าอย่างเราเข้าถึงแก่นละเข้าถึงใจของมันเราจะไม่อยู่แค่เปลือกไม่ได้อยู่แค่กระพี้เรากเข้าถึงแก่นคือ เ, เนื้อคือหนังคือแก่นของต้นไม้เรียกว่าใจเอ่อต้นไม้เวลามีอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะมีวงปวูกความไม้ปวกนักพฤกษศาสตร์มนุษศาสตร์ก็ดูความ ต, ตัวต่อมาเวลาตัดออกมาเป็นวงวง ว, ง ว, งวงครออายุเขานะคือใจเขาเราได้ให้เหมือนกันเป็นทางการพวกเราทุกคนนักขันปฏิบัติหลายดูใจตัวเองนอย่าไปบอกเออพกชาติเปเรื่องอื่นวัฏฏะป็นเรื่ออื่นโลกสวสรรค์เป็นวันอื่นวันนี้เอาอันนี้เป็นหลักเลยประบนลงวันนั้นเรื่องอดีตคือตัดหมายก็มาถ้ามันคิดว่าเออมันเก่ามาแล้วมันจบไปแล้ว เ, เรื่องอนาคตมันยังไม่มาถึงจริงะคิดสี่พูดสี่ทำมา น, นานานมาถึงทางปฏิบัตินะไม่เกี่ยวกับโลกนะโลกเขาก็อยู่กันอย่างนั้นแหละนี่หมายถึงทางทำหมายถึงทางทำเวลาวฏิเสธปฏิพูดทำทำคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ทํำนี้แล้วก็ตัดอารมณ์อย่างนี้ให้อยู่กับปัจจุบันไม่งั้นก็เป็นทําเมามุตรหงปู่เวนท่านว่ามันไม่ได้เป็นทำโมหรือมันด้เป็นธรรมะยุทธนาวเลือกเองว่า เราจิวแบบทำเมาเราคือคนเมาเมาทั้งวันเมาแล้วมีสติไหมคนเมาคือไม่มีสติง่ายๆคนไม่เมามันก็มีสติบ้างแต่ไม่สมบูรณ์แต่ไป็คนที่มีสติแล้วมันสมบูรณ์บริบูรณ์มันไม่ใช่คนที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์คือพระอล้วกันเท่านั้นที่จะเรียกว่าคนสมบูรณ์เป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์เป็นพระสมบูรณ์แบบแต่ที่พวกเราท่านอันยังไม่สมบูรณ์คือสติ ยังไม่สมบูรณ์ น, นั่นก็ทําให้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไปบริบูรณ์เราก็จะเข้าใจว่าเกิดมาแล้วไม่เสียดายชาติเกิดโดยเฉพะอย่างเกิดบ้านเราเมืองเราจะไปเกิดบ้านอื่นเมืองอื่นเราไปคิดดูสภาพปัจจุบันปัญหาเรามาเทียบเคียงดูโอประเทศชาติอื่นตอนนี้ขนาดนี้เป็นยังไงอยู่สุขไหมเป็นนรกไหมเป็นสวรรค์ไหมเอาเนี้ยก็มาคิด ถ้าถ้าไม่เป็นสวรมันก็เป็นนรกถ้าเป็นนรกมันอยู่กันยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละตายกันเป็นพันเป็นหมื่นด้วยน้ำมือคขางใครเราโอภิญญโกรณ์เนาะเราโอเราโชคดีเนาะเรายังมีพรภูศสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระพุทธแม่ครูอาจารย์พระกัลยาณมิตรจะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้โชคได้ที่สุดแล้วถ้าไปดิ้นรนกนไปเสางหา ให้เสวยหาตัวเองให้เข้าใจในหลักการอันนี้ที่ไหนก็ได้อาจารย์สอนอย่างนี้ทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ที่เราครูบาอาจารย์เพนั้นพวกเราก็คือต้ตามเอย่างบอลบอกว่าแนะ น, นําบอลแนะแล้วก็ต้องนําด้วยบอกนําตามแล้วพวกเราก็ต้องตามเลยถ้า แ, แนะแล้วก็นําแล้วเราไม่ตามคก็ไม่ทําตาม ก็ได้แค่หูฟังไม่ได้เอาดใจฟังเราถึงจะได้เคลื่อนหรือเอาจะเอาหูฟังใจฟังเพราะนั้นทุกครั้งที่เราทําก็คือตั้งใจทําอย่าไปทําเล่นหวูตั้งทำหรือตั้งทําด้วยความมีสติมีเราตั้งใจทําไม่ใช่เลอะเลือยเลืเลเลเลเลทําระทําไม่ทำก็ำกำกแล้วไปเพราะฉะนั้นคิดพูดทำเนี่ยต้องตั้งใจ ประเด็นหลวงพอ่อที่รเราบอกราไว้ค้างยามหรือหลายปีมาแล้วบอกว่าตั้งใจตังตาโดยคิดรู้ทำให้ดีคือวิธีแก้กรรมอันนี้คือว ล, ลีที่เราพูดมาแล้วมันละเอียดนะถ้าเราพิจนารณามันละเอียดมันลึกซึ้งมันมีความหมายมากกว่าปรีประโยชน์ที่เราเห็น ก็อยากฝากพวกเราทุกคนปีใหม่วันพระที่สองแล้วอยากให้เป็นวันพระอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่วันธรรมดาไม่ใช่วันพระอยากให้เป็นทุกวันเป็นวันพระคือวันที่ประเสริฐคือใจมันประเสริฐใจมันเลิศว่าทุกอย่างใดๆในี่เราคอตอนนี้คือสารธรรมสําหรับเาบราเช้าวันนี้ขอบุญกุศลที่เราตั้งแต่ตันนวันนี้ความเป็นทานการตบายทานศีลคือรักษาคือรับมาแล้ว ทานเินภาวนาคือเจริญคือตั้งใจฟังพอในสององ์การตั้งใจฟังพวกเราอย่างนี้จงถึงแก่บรรพุารของผู้เราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบัดเพ็ญในวันนี้